แล้วเริ่มศึกษาขั้นต่อเลยแล้วพูดถึงในเรื่องของอภูสโตรและจิตที่เราศึกษามาโลภาแปดโอสะสองมูหันสองในอภูสโตรและจิตี่จิตที่สัะยุญโด้วยจิตจีตก็สี่ดวงที่สระยุญโ ด, ดยปฏิค้าสองดวง สัมปะเยดด้วยวิจิจิชาหนึ่งดวงแล้วก็สัมปะเยดด้วยอุธจาอีกหนึ่งดวงในอกุศรลกิจที่ได้กล่าวมาเนี่ยนะเขาบอกเหตุเกิดของอาุศรลกิจมีอยู่ห้าอย่างปุเพอากาจารปุญญาตาถามว่าในปัจจุบันเนี่ยทำไม อกุศลและทำบางครั้งก็ราคาบ้างบางครั้งก็โทสะบา้างบางครั้งโมหะบ้างเนี่ยมันทําไมเกิดขึ้นในขันธสันดานดาของบางคนได้บ่อยเหลือเกินเห็นไหมคือทําไมจึงเกิดมากมากผิดปกติกว่าหลายๆคนเนี่ยคือบางคนเนี่ยได้ฟังเรื่องที่เป็นกุศลก็คิดเป็นเรื่องที่เป็นบาปหรือเห็นคนเขาทาบุญก็คิดไปในเรื่องที่เป็นบาปเป็นต้นอะไรเงี้ย อันนี้บอกได้เลยว่าเป็นบุคคลที่มีอัตยาใสาคอยไปในเรื่องการทำบาปมากกว่าทำบุญถ้าจิตใจมันเป็นไปในลักษณะอย่างนี้นี่น ะ, สะแสดงให้เห็นชัดว่าโอเคอศัศตากุญญาตาไม่ได้ทำบุญไว้ในบังก่อนเน่ไหมฉะนั้นถ้าดูในอดีตภพเนี่ยสแสดงว่าเราทำบาปไปเยอะนี่ต้องถือว่าเป็นความโชคดีนะถ้าพูดถึงโชค ต้องถือว่าบุญบุญศนที่เคยสั่งสมไว้หลายร้อยพบหลายร้อยชาติเนี่ยในในขณะที่จะตายอพอกี่แล้วเนี่ยเขาได้โอกาสในการส่งบุเพราะเขาได้โอกาสในการส่งผลก็เลยทําปฏิสัมพนธ์ใช่ไหมเป็นกรรมที่ส่งผลในบารณาจ ใ, ใกล้ใกล้ ใ, ใกล้ตอนบารานาตนแรกกรรมเหล่านั้นก็เลยนํา ให้ได้ปฏิสนธิในการได้อัตภาพในการเป็นมนุษย์เป็นต้นทีนี้พอมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นต้นเนี่ยด้วยการที่ในภพใกล้ๆเนี่ยเป็นผูม้มากกมาด้วยการทําบาปอัคยาใสาที่น้องไปในบาปนั้นมันจริงมากฉะนั้นอาคุศสลจิตกล่าวคือราฆ่าบ้างโทต่าบ้างโมหะบ้านเนี่ยจึงเกิดได้ค่อนข้างบ่อย เพราะเป็นคนที่มีบาปเป็นบริวารอยู่แล้วเป็นอัคยาตายอยู่แล้วฉะนั้นเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ทั้งๆที่ว่าคนคนเนี้แปลกมากใช่ไหมทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นมนุษย์แต่ทําไมใจน้อมไปในบาปได้รวดเร็วกว่าหลายๆคนเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ต้องไปแปลกใจแล้วถ้าเรามองย้อนในเรื่องตรงนี้นะก็แสดงอย่างชัดว่าไม่ได้ทําบุญไว้นในปางก่อน นั่นเป็นปัจจัยเกิดราคาโทรศัพ์โมหะได้มากนั้นเหตุประการแรกและเป็นประการที่แก้ายากที่สุดก็คือเนี่ยการไม่ได้ทําบุญไว้ในชาติก่อนไม่ได้ฟังก่อนเพราะการที่ไม่ได้สั่งสมอธิยาไัยที่เกี่ยวกับบุญกียรติวัตถุทั้งศิปการนี่นะพอมาในปัจจุบันพบเนี่ยนะราคาโทรศัพทโมหะมันก็เกิดง่ายมากเห็นเขาทําบุญ ถคนที่อัตยาไถ่ไปทางโลภามากนี่นะใจมันก็จะคิดไปทางด้านโลภ์ผ้าอย่ยกตัวอย่างเช่เชนว่าถ้า เ, เขาทําบุญเนี่ยแต่คนกลุ่มนี้ก็จะคิดทางด้านธุรกิจใช่ไหมถ้าถามบอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยถามว่าพี่เขาทาจะดูคำาันหรือไม่นี่ใช่ไหมถ้าทำด้วยใจที่เป็นกุศลหรือทําด้วยใจที่เป็นโลภ ลักษณะอย่างนี้บ่งบอกเลยว่าอาทยาใสเขาเนี่ยนะเขาเคยสั่งสมบาปไปเยอะเวลาเขาเห็ตุิลจริงมันเป็นงานบุญนะแต่วัดวาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าเทวดาที่เฝ้ารักษาพระธานเนี่ยเห็น ไ, ไหมแท้จริงน่าจะเป็นมองไปในส่วนที่เป็นบุญเป็นบุญแต่คนที่มีอาทยาสใยที่มีโลภะในใจมากเนี่ยพอมองพบแล้วที่ทำยังไงจะทําให้รายได้อย่างเีหย มันก็จะคิดเป็นอาการค้าทาั้งท้งที่เรื่องเป็นบุญมันคิดผิดได้อย่างอย่างนี้สวัสดีกลุ่มหนึ่งก็เป็นคนที่สั่งสมบาปมาในอดีตเหมือนกันไม่ได้ทําในลักษณะอย่างเนี้ยแต่พอเห็นคนทําแบบนี้เข้าโตรธใช่ไหมไอันนี้คือคนทําบาปในคนที่สร้างบาปในอดีตมาเยอะเหมือนกันก็คิดไม่ถูกก็าอีกพอไปเห็นก็ทําอย่างนี้ก็เลยเกิดบาปเขอีกหมาพวกนี้ทําลายอะไรก็ว่ากันไป ก็เลยเกิดโทรศัพท์ขาอยูงง่ใช่ไ้มแล้วก็ะไม่ไ<ะ>สมหวังจะต้องทำอะไรอยากอยากเด้สาระในการโดนถ้าไม่ทำจะทำกานค้าไม่ต่า ง, น, า ง, างบบนั้นเรียน้ม่ต่างรูปแบบป็นไม่เหมือนทำไมต้องไม่ต่างกนะันจะตีาการค่าจะเป็นไงต่ <c oughs> ว่าจะค่าอะไรกันนะั้นเอง มันอยู่ที่ตัวมันอยู่ที่ตัวที่เราจะนําัวเหนือยนอยนั้นนี่ว่ามันเจอแล้วคือคือในกันบางครั้งเนี่ยที่เราพูดอย่างเนี้ยพูดตัว่อใรู้ว่าอะไรที่มันเป็นบุญเนะี่ยไม่ได้เน้นทุกตัวบุคคลมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ประการต่อมาคืออัปติรูประเทตวะโสอยู่ในประเทศที่ไม่สมควรอันนี้ก็เป็นปัใจจัยให้บาปเกิดได้ง่าย คำว่าประเทศที่ไม่สมควรเนี่ยหมายความว่าประเทศที่พุทธศาสนาแผ่ไว้ไม่ถึงเอาหมายความว่าเอาศีลสมาธิปัญญาที่ไปไม่ถึงทำมาจักหรือจักของก้าวคือพระธรรมเนี่ยนะคือกรงอร้องก้าวรืจักของพระพุทธเจ้า ก, ก่าวคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยหมุนไปไม่ถึงคำว่าทำมาจักเนี่ยมันตรงกันข้ามเลยกับอนาจากักร ถ้านาจักมก็แปลว่าอะไรคงร้อของอํานาจเช่นอานาจของพระราชาอํานาจของผู้บริหารประเทศเป็นต้นเนี่ยใช่ไหมก็ก็เป็นอานาจของท่านเลยส่วนมันธรรมจักรนี่อันนี้หมายความว่าเป็นโคงร้อของท่านฉะนั้นนะถาน้าธรรมจักรเนี่ยหมุนไปถึงไหนโดยเฉพาะถ้าหมุนเข้าสู่กระแสใจของสังคมศัตรูโลกนั้นก็คือ เป็นผู้ที่มีสีมีสมาธิมีปัญญาอยู่ในใจแล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ทำบาปคือบาปก็ไม่เกิดใช่ไหมถ้าพระทําหมุนก็สู่ใจเนี่ยบาปก็ไม่เกิดถ้าประเทศไหนที่มีเนี่ยพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยหมุนไปถึงเแต่ต้องเป็นพระธรรมจริงๆนยไม่ใช่เป็นเป็นแบบว่ามันไม่ใช่ธรรมะจะเหมือนดนับ้านใช่ไหม คำว่าระธรรมที่แพ่ไปเนี่ยไม่ใช่โบสถ์ไม่ใช่สาราไม่ใช่พระใช่ไหแต่หมายถึงแน้นถึงคําสอนเนี่ยที่มันแพ่เข้าไปแล้วถ้ามันแพ่ไปถึงไหนเนี่ยเข้าไปอยู่ในชุมชนหรือประเทศไหนเนี่ยประเทศนั้นหรือชุมชนนั้นนั้นถ้ามีคําสอนของพระพุทธเจ้าแพ่ไปถึงเนี่ยใจของคนในที่นั้นมันจะมีบุญเยอะบุญเยอะเกิดเยอะแต่ถ้าคําสอนของพระพุทธเจ้าแพ่ไปไม่ถึงเนี่ยอย่างนั้นเขาเรียกว่าประเทศที่ไม่สมควร มันง่ายต่อการที่ราคาโทสะโมหะมันจะเกิดฉะนั้นการอยู่ในประเทศที่ไม่สมควรเนี่ยมันมาจากการไม่ได้ทาบุญในบางก่อนเนยะเป็นปัจจัยปัจจัยคือการไม่ได้ทาบุญในบางก่อนก็เลยเป็นปัจจัยให้อยู่ในประเทศที่ไม่สมควรไอ้กรรมประเทศเนี่ยมันซัดแรงนะมันเหมือนว่าคนทํำผิดใช่ไหม คนทําผิดแล้วโดนโดนตํารวจเขาจับได้เขาจับได้เสร็จเสร็จเขาก็บอกว่าตัดสินให้เข้าต้องขังให้เข้าคุกไอ้ทางผู้คุมก็บอกว่าเออส่งมาเถอะเดี๋ยวข้าจัดการคือรอบแรกเนี่ยตำรวจเล่นงองมภรารแล้วดินะคือจัดการแล้วทั้งลงโทษสาลพัดที่เนี้ยเขาอาจการคุก ม, มีการตีอะไรก็แล้วแต่ ส่วนทํางผู้คุมในห้องขังก็บอกเลยถ้ามามีสิ่งเราที่เราจะจัดการมันก็เหมือนอย่างนี้ยจ้งการไม่ได้ทําบุญในบานก่อนก็คือมันทําบาปในบานก่อนมาเลยไหมในบาปก็บอกเลยครับทวนาบุญนี้บุญอะไรบุญกีอาวัตถุศิลอย่างใดอย่างหนงทานทานศีลภาวนาติดต้น ฉะนั้นการที่อยู่ในประเทศที่ไม่สมควรเนี่ยก็เป็นประเทศที่คนเป็นมิจฉาทิฐิกันเนยอะเมื่อคนก็ะทำผิดกันมากเนี่ยมันก็ง่ายต่อ ก, การที่จะจะเป็นบาปเกิดขึ้นประการที่สามก็คืออสัศวทีิสูรปนิสยัยไม่คบสัตวรุตมันเป็นปจัจจัยสิดเนื่องกันนี่ฉะนั้นพออยู่ในประเทศที่ไม่สมควร ประเทศที่ไม่สมควรก็ล้วนแต่อาสาบุรุษอยู่ในประเทศนั้นนะเราก็ต้องมีเพื่อนประเทศอาสาบุรุษใช่ไหมพอไปพบกับบุคคลที่เป็นบาปทั้งหลายเนี่ยก็มีแล้วก็มีค่าสัตว์แลกฆราพรพฤติผิดในกรรมลักษณะอย่างเนี้ยประเทศทีเขาเขาถือว่าอในยุคอย่างยกตัวอย่างในยุคสังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้มองด้านว่าสินค่าเนี่ยก็ไม่ได้มองตรงนี้นะ ถ้าคนก็มองบอกว่าใครถือศีล้าหรื อ, อยากจนงั้นเขาก็พืวรปฏิบัติตามอำเภอใจของเขาอย่มัม่อยากเจ๊แต่เราลองมามองมอ ง, มองดูมองดูว่าถ้าวันก่อนจ น, นไปดูเขาเป็นศัตวแพทย์เขาก็เป็นตำหนิว่าศัตวแพทย์เขาบอกว่าคนบางคนเนี่ยไปปล่อยเตา ไปปล่อยปลาก็เลยเป็นเหตุทําให้คนเนี่ยไปจับเอาเตา่าตัวเล็กๆมาไป็นทรมานใช่ไหมถ้าไม่มีคนซื้อไปปล่อยไปมันจะเป็นมีคนซื้อไปเป็นคนมามาขายได้โทษนะแล้อีกอย่างเวลาซื้อไปปล่อยก็ไม่คิดตัวนั้นนะพระพทธนี่สัตวแพทย์พูดว่าเต่านี้สองประเภทเต่าบกบกับเต่าเต่าน้ำ คือเต่าบางอย่างเนี่ยมันไม่มีขาในการที่จะตะคุยในการที่จะจะขึ้นขึ้นบนบนวนว่ายน้ําไม่ได้เอาไปทิ้งลงในน้ำก็ตายหมดเลยว่าเอ๊ะทําไมนี่โยกปล่อยปล่อย เ, เตา่าเราปล่อยตัปวปลาเราประสาทอื่นเยอะแยะไม่ไดยกปล่อยเพราว่ามันเขาเอาบอกกบบ้างเขียดบ้างคอยบ้างโอ้บ้างอะไรเงี้ยทําไมไม่ปล่อยว่าก็พวกนั้นก็ว่ากันที่จริงคือ เขาพูดนะมันเหมือนถูกใช่ไหมแต่มันถูกบ้างอย่างแต่มันผิดบ้างอย่างไอ้กรณีที่ว่าเออดูต้องดูว่ามันเป็นโลภกัดบกสัดน้ำเออนี้ต้องส้องเขตน้าปล่อยนี่ต้องท้องเขตจริงๆส่วนว่าไปปล่อยแล้วเป็นเหตุให้คนจับอันนี้ไม่ดูถ้าอย่างนั้นที่เรากินใช่ไหมเนื้อกินอะไร anyway? สัดสีแดงมาเป็นเหตุสีให้เขาฆ่า อเราก็ไปตบอกเลยอย่นี้เรียุ่งย่างเงี้ยแต่ยิ่มันไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ได้ไปพิจารณาอย่างเงี้ยเลยเขไปไปคิดรักต่อยอย่างนั้นเลยยุ่งเลยทำดีไม่ได้เลยเลยปวดหัวเลยเลยเพราะว่ามันมีเรื่องอะไรอีกเยอะใช่ไหมว่ายังในกรณีที่เราจะไปหน้าที่ตรงไหนหรือไปทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูไอ้นี่ก็ตทำตัวรู้เปล่าเขาขี้เนี่ย เราจะมานั่งเก้าอี่หร as ือซื้อมาโถกอนหรือไปรับพ่อมาเพราะตัวตัวจะไปบ่าวด้วยสิถ้าคิดถึงนขนาดนั้นมีปวดหัวไหมปวดหัวเลยนะไม่ต้องขนาดนั้นหรอกคิดมันเป็นบุญเยอะเลอย่าคิดคิดมันเป็นบุญไม่ครบสัตว์บุรุษอันนี้ก็เป็นปัจจัยเกิดบาปการไม่ครบสัตว์บุรุษมันก็จะต่อเนื่องกันมาก็คือไม่ฟังว่าสัตว์ทำ ก็คือมัดสี่ผลนสี่พิพานหนึ่งแล้วก็ปริยัติหนึ่งก็กกไม่ไม่ได้โอกาสได้ฟังประการสุดท้ายก็คือที่สำคัญก็คือการตั้งตนไว้ผิดนิ่อัดตับนิ่ฉาปนิธิตั้งตนไว้ผิดนี่หมายถึงตั้ ง, งอยะไนตนในที่นี้หมายถึงอะไร อัตัาไิ่ฉาปณิที่ถ้าอัตตสมาปณิที่เนี่ยตั้งตนไว้ถูกในหมายถึงอะไรแลตั้งตนไว้ผิดในตั้งยังไงผิดใช่ตั้งตนไม่ผิดในหมายถึงในตนในที่นั้นได้แก่แทไม่แก่อะไรได้แก่อะไรในตนเนี่ย ถ้าตั้งตนไว้ถูกก็ตั้งไว้ไงฮะเ่าบอกว่าที่จริงตั้งจิตก็ได้แต่จริงๆท่านเน้นถึงตัวปัญญาใช่ไหมถ้าตั้งตนไว้ผิดเนี่ยหรือตั้งตนไว้ใ น, นก็คือว่าตั้งจิตที่เป็นไปในอกุศลนั่นเอง อันนี้เป็นพวกมิจาทิฏฐิทั้งหลายตั้งตั้งมิจาทิฏฐิไว้ในใจนี้อ น, นั้นจะตั้งมิจฉาทิฏฐิไว้ในใจเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าตั้งตนไว้ถิดถ้าตั้งตนไว้ถูกหมายถึงว่าตั้งสมาทิฏฐินี่เป็นอย่างนี้เนี่ยแต่นี้ก็ได้ได้ได้ความหมายแล้วตรงเนี้ยท่านท่านขยายไว้อกว่าจิตที่มีโลภามูลมีอยู่แปดดวง ตสามมูลก็สองดวงมูลก็สองดวงรวมเป็นสิบสองที่เป็นสองมณฑสี่ดวงที่เป็นอเวขาหกดวงที่เป็นโทมนั์มีอยู่สองดวงก็รวมเป็นสิบสองดวงเป็นอาสังคาริธาเป็นสัสังคาริธาจิตที่ค้นจากสังขารก็สองก็เป็นสิบสองดวงจิตที่เป็นที่สัมปยุทธโดยที่ถี่มีกี่ดวงมีสี่ดวง ที่วิทยุตด้วยทิฏฐิก็สี่ดวงแล้วก็สัมบุญกับปฏิฆาสี่ดวงสั ม, มยุญกับปฏิฆาสี่ดวงสองดวงเดี๋ยวจะจําไม่ได้ฮะสัมบุญด้วยวิจิจฉาสี่ดวงอุทจาร์สี่ดวงฉะนั้นอภูสุและจิตท่านยังหมายว่าเป็นจิตที่มีโทษและให้ผลตรงกันข้ามกับภูศล หรือเป็นจิตที่ประกอบกับอกุ ศ, ศ ร, รและเจตสิกอกุส ร, รและเจตสิกมีทั้งหมดกี่ดวง14ดวงสงสัส ย, สสยจะต้องกลับไปเรียนกันใหม่เนันแน่ <c oughs> ถ้าไม่ค่อยมั่นใจก็ตอบในใจเรา <c oughs> ใูให้คนที่เขามั่นใจตอบ อากุสโอลเจต้สิกนี้สบสี่มีอะไรบ้างอ่ะอโมจิตุกะเจต้สิบสี่โมหาอิิริกาอโนตป่าอุทจาริสีนั่นนะโลติกาเจต้าสิบสามโลพาที่ดีมานะโทจิตุกะเจสิบสี เสาใส่สามเทียบุกุจารีทุกกาสองวิธิกิจช้าอีกนงก็เป็นสิบสี่รดีนะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเป็นจิตที่ประกอบกับอคุศลเจริญสิทแต่ในอกุสนจิตมีเฉพาะอคุสนเจริญสิบสี่เท่านั้นใช่ไหมหรือมีเจริญอีกตัว นี่เจตสิกอื่นด้วยอัญญาตมานะเนี่ยใช่ไหมอัญญาตมานะไม่ใช่เป็นอกุศลเจตสิกนะภาษาใช่ไหมภาษาเวทนาสัญญาเจตนาอยกากัตจาชีวิตปีนี้มานสิจการเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่อกุศลแต่เป็นทางที่เกิดร่วมกันกันกบอกุศล ฉะนั้นเวลาเวล า, วลายกตัวอย่างเช่ น, นโลภะจิตเกิดขึ้นมีโลภะเจตสิกเป็นมูลเป็นรากในเนี่ยโดยในขณะนั้ น, น, น, น, นจิตเหล่านั้นก็มีความอยากมีความต้องการมีความยินดีมีความเพลิดเพิน เ, <ๆ>เขาก็ทําเจตสิกที่เกิดร่ว ม, วมกันกับโลภะนั้นนี่ยให้มีความปราดเปรื่องมีความเพลิดเพลินไปด้วยนะเดินเป็นอย่างนี้นะตัวคำว่าสังขารและขันเนี่ยฉะนั้นเวลา โทสะเจตสิกเนี่ยตัวปฏิฆาเกิดร่วมกันกับโทสะตัวภาษาเวทนาเป็นต้นเหล่านี้เกิดอยู่ในโทสะก็คอยเต้าหมองเล่ารอ้อนคอยทุกเกิดร่วมกันกับโทสะไปด้วยมันเป็นอย่างนี้เราจะบอกว่าถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เป็นอกุศลแต่พอไปสอนลคดหรือไปคบกันกับอกุศลเนี่ยเขาก็คอยไม่ดีไปด้วย <c oughs> <c oughs> มันเป็นอย่างเนี้ย แต่ข้อบการกุศลก็เลยพลอยเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วไปช่วยส่งเสริมอย่างยกตัอย่างวิริยะเนี่ยนะปกติถ้าหากว่าเพียนในการเจริญกุศลเพียนในการรักษาสี่เป็นต้นเหล่านี้มันเป็นเรื่องีดีอ่ะแต่ถ้าไปเกิดร่วมกับจิตที่เป็นอกุศลขึ้นมาเพีย้ยนตำบาปเลยเลยใช่ไหมเพียนที่จะโลภเพียนที่จะโกรธเนี่ยนะยังถ้าหากไปอยู่ในอะกุศลเนี่ก็เพียนเลยเขาเพียนแล้วเพียนอย่างมุ่งมั่นเลยนะื่อง ใครเคยใครเคยไปนั่งตอปลาลงมั้ยโอโคขนาดบางทีไม่ได้ก็ตีก็นั่งเพียนดูดูทุ่นอยู่เนี่เมื่อไรเนี่ยมันจะมากินก็ตียนั่งเพียนไปยางขนาดฝนตกงทียังต้องอาลบกไปกลางเนี่ยขนาดนั้นเลยเขาเรียกเพียนคาบา มีคนคนหนึ่งนะตอนนี้ก็ท่านลบวัแล้วลท่านก็เล่าให้ฟังท่านบอกว่าตอนสมัยก่อนเนะีท่านเป็นพรานในพรานเนี่ยนะอายุท่านมากแนละ้วท่านก็เข้าไปในป่าก็มีปืนเนี่ยไปยิงสัตว์ก็มีอยู่คันหนึ่งเนี่ยเขบอกว่ามันจําและติดตาเลยนะคือไปยิงไก่ป่าท่า น, นมาก็เป็นฝูงเลยว่าเนะี่ยก็ใช้ปืนยิงโต้งอนะไรเนี่ย ขาขาเลยไก่แล้วก็มีบาดเก็บด้วยบาดเจ็บมันก็มันก็ติ้นนงเพอจับได้เลยมันก็เอาไปเอาไปตีกับต้นไม้มันก็เงียบไปพอเงียบไปเสร็จก็เชือกมัดเชือกมัดแล้วก็ตเกาเอาเอาตะไคร์อย่างเนี้ยพอเอาเอาหาหาตะไคร์ทีนี้ไก่ตัวเนี้เป็นไก่ดงเนียวันเพราอเดินมาได้หน่อยอ่ะ ไอเสียงลูกมันร้องมันฟุ้งขึ้นมาแล e ้วมันร้องใหญ่เลยวะมันร้องร้องกุ๊บบกในธรรมนองอย่บอกให้ลูกมันหลงอ่ะแล้วโอ้โหพ อ, อ, อ, อ, อตั้งแต่นั้นมาแย่า บ, บอกทีนี้ไอคนไม่รู้คาสอนพราเห็นอย่างนั้นจะไม่รู้ทำเลยก็เลยเอาไปเอาไปตอนไม้ตั้งอย่างนี้ดูยังไงให้มันตาย ในเรื่องนี้มันมีอยู่เรื่องหนึ่งลูกชายขึ้นต้นไม้อันนี้เรื่องนานแล้วนะเรื่องเก่านี่คนแก่คนเฒ่าขเขาเล่าดีกว่มันเป็นต้นหมากนี่มันหักได้ต้นหมากด้วย น, นะหักมันไม่เหมือนต้นไว้ตัวไปหักแล้วมันกู้วมไม้ก็ทิ่มด้วยทิ่มตั้งแต่ชั้นล่างล้ออยู่บนต้นต้นไม้เสียมต้องเจตวานะ พ่อมาล้อพ่อช่วยด้วยช่วยด้วยพ่อก็ไม่รู้จะทําำไงเลยวิ่งกลับไปที่บ้านเบลปืนไปยิงตอมแล้วแล้วแกก็เล่าแกบอกว่าแม่เนี่ยแกบอกว่าแกสงสารลูกแกบอกแม่แล้วก็มาเล่าว่าเป็นความดีของแกเลยนะอันนี้เป็นเรื่องแต่โบราณ น, นี้เขาสมัยก่อนเขายังว่าเาไม่มีตำรวจเลยจับอะไรเลย แล้วตอนนี้บางคนก็ไปเข้าใจว่าไปทำอย่างนี้แล้เป็นการช่วยเป็นการช่วยอาถรรพ์ในภาพยนตร์ในอะไรทั่วๆไปก็เป็นกันอย่างนี้หมดเลเนะืน้อทหาจะตายแล้วก็ยิงตัง้งเขาถือว่าเป็นการช่วยกันแล้วก็มีมีทหารคนหนึ่งรู้แตกแกเป็นอายุ ม, มากแล้วก็ไปนั่งฟังแกแกเป็นทหารผ่านศึกสมัยสงครามโลก แค่เขาบอกว่าเนี่ยไปลอบต่างประเทศทางแม่ก็ก็ตายลูกเล็กๆร้องแงไงไม่รู้ทำยังไงก็ปืนยิงก็้ามก็ต้อ ง, งยิงเลยสงสารเลยก็เลยแล้วแล้วเขาก็คิดว่าอันนี้เขาได้ทดําบุญนี่เขาเข้าไปขึ้ลักษณะที่ความไม่เข้าใจอย่างนี้ย จ, จ, จะมีเยอะอย่างนี้จะมีเอะ อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอกุศลกรรมเนะีะทีนี้ในอกุศลจิตเนี่ยเป็นจิตที่มีโทษแล้วก็เป็นจิตที่ให้สาเร็จการก้าวล่วงอกุศลกรรมบททีนี้คําว่าก้าวล่วงอกุศลกรรมบทเนะี่ยคำว่าก้าวล่วงแล้วก็จะเป็นเหตุให้ผู้นั้นเนี่ยตกไปสู่ทุกขติได้ฉะนั้นถามว่าอากุศลจิตดวงไหนให้สาเร็จอกุศลกรรมบทข้อไหนอย่างนี้ต้องสังข์เห็นไหม ต้องศึกษาทีนี้ในคำว่าอคุศน ล, ลกก ร, รมทั้งหลายเนะี่ยมีปาณาดิบาตเป็นต้นเนี่ยนะที่คำที่ชื่อว่าบทเนี่ยกรรมมาบทเนี่ยบทตัว น, นั้นคือบอยไม้ทอถุงเนี่ยนะบทตัว น, นี้แปลว่าทาง ป, ปัถาเนี่ยนแปลว่าทางเพราะเป็นทางไปสู่ทุกคติท่านจึงเรียกว่าอคุศนกรรมมาบท หมายความว่าอุปโภคกรรมที่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นเหตุแห่งปฏิสนธิใน้สิบอย่าง ก, ก็หมายความว่าปารปฏิบาตเนี่ยอันนี้หมายการทําชีวิตสัตว์ให้ตกไปในทันทีอันนี้หมายถึงการฆ่าสัตว์ก็คือองค์ประกอบข้อไห น, นเนื่ยในรายละเอียดก็คงไม่ตามไปแล้วเดี๋ยวแ ม, ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จิตการทุปษษาัาสนาอะไรเลย๋ยว เรียนมาแล้วมั่นจัดมีชีวิตรู้ว่าจัดมีชีวิตเป็นก็อะไรเนี่ยององค์ของปาณาริบาสส่วนอธินนาทานก็คือการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้อันนี้หมายถึงการลักขโมยการเมสุมิฉาจานก็การประทิดสมบูชิถิในในเมถุนคือละเมิดหญิยงยี่สิบจพวกโดยการต้องเส่สบาตรทำยี่สิบจาพวก อันนี้เรายกมผู้ชายจะศึกษาวเขาหยิงยี่สิบจะพวกกับท่านห้ามพอไเป็นศึกษาดูแล้วไม่มีใครเลยที่ไม่ห้างแล้วก็ผู้สาวา่าการกล่าวเทศบีสุนาวาจาก็กล่าวสอเสียยุโยงให้เขาแตกกันเพราะว่าสว่าก็คือการกล่าวหยาบช้าเนี่ยนะสมภาภราปะกับเฟิร์เจอ อภิจชาพิ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นพยายามบากระปองร้ายแล้วก็นิชาพิจฉิทั้งสิบประการนี่เรียกว่าอาุศสกรรมบทในสิบประการเหล่านี้อกุปสนกรรมบทสามอย่างขั้นต้นปาณาธิบาตินาทากนการเมีสุนิจชาจานอันนี้เป็นกายกรรมนะทําไมจึงเรียกว่ากายกรรมเพราะส่วนมากเป็นไปในทางกายเทวารจึงเรียกว่ากายกรรม สี่ยามต่อมามูสาวาปิสุนาวาจาพุทธวาจาสัมผัสพลาปะอันนี้นับว่าเป็นวจีกรรมเพส่วนมากเป็นไปทางวจีถวานท้ายอภิชาพยาบาทมิชาทิฏฐิอันนี้นับเป็นมโนกรรมเพราะแม้ไม่เคลื่อนไหวไกายและวาจาก็ให้สาเร็จได้คือว่า อันนี้เกิดวัยแล้วาพารยาบาดพิช า, าที่ดีเลยนะ ท, ท, ทีนี้ในบรรดาอากุศลกรรมบท10อย่างเนี่ยโลาบุญจินให้สำเร็จอคุศลกรรมบทกี่อย่างอาเ่เป็นปัญหาเลยกี่อย่างให้สเร็จอคุศลกรรมบวช็ดอย่างนะ กัยกรรมสองอย่างเว้นนาธิบาตวจีกรรมสามอย่างเว้นพุทสวาจามนโนกรรมสองอย่างเว้นปยาบาตเจ็ดแล้วแต่ทำไมทำไมปาธิบาตจึงเว้นไม่เกี่ยวกับโลกะใช่หัหย ส่วนวิกรรมพุทธตวาะเนี่ยมันเกี่ยวกับการดา่าการว่าทำอยางอันนี้ก็เกี่ยวกับโทสะในมนโนกรรมมาพยาบาทอันนี้ก็เกี่ยวกับโทสะฉะนั้นท่านยังเว้นไบตสามเหลือเท่าไหร่เหลืหอเจ็ดฉะนั้นในอกุศลกรรมมาบวชเจ็ดอย่างนะั้นมีโลภะเป็นมูล ฉะนั้นจิตที่มีราคะก็รู้ชัดว่าจิตที่มีราคะเนี่ยในราคะจิตเนี่ยในราคะหรือว่ากลุ่มสภาวะธรรมที่เกี่ยวกับราคะเนี่ยเป็นปัจจัยให้ทาบาปการเพื่ออุปนิกรรมมาเจ็ดอย่างแล้วก็เป็นที่เจรณาอย่างนี้ว่าโอ้โหเป็นปัจจัยให้ลงอบัยภูมิได้ใช่มฉะนั้นปัจจัยใน ก, การด่าเนี่นะด่าด้วยโคภไม่มี ้่ส่วนโมหะมุรจิตให้สำเร็จอกุศลกรรมวุฒเจ็ดอย่างนะกายกรรมสองเว้นกรรมเอสสมิฉาจารวัตถิกกรรมสี่อย่างและตมโนกรรมพระยามเดียวคือพยายามได้เจ็ดเหมือนกันตรงนี้ท่านกล่าวเป็นส่วนส่วนมากเอาไว้ส่วนโมหะมุรจิตละ่ะให้สำเร็จ อาุชล ก, กรรมวัเท่าไหร่ทั้งหมดเลยนะต็ดอย่างเลยทั้งตาณาธิบาตินานาทานกาเมสุนิชฌานามีกายกรรมมูสาวาติสนาวาจาพรุสวาจาสมภาราปานิวจีกรรมแล้วก็วิชาพยาบาทนิชาทิที ม, มนโนกรรมสรุปแล้วก็คือกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเนี่ยมโมหะเนี่ยเป็นราบได้หมดเลย โลภะเป็นราดได้เกิดโทสะก็เป็นราดได้เกิดส่วนโมหะเนี่ยเป็นราดของอกุศลกรรมบวญได้ทั้งสิบเลย่อใช่ไหมเป็นราดเงาอันนี้เป็นาการเฉพาะในเวลาทํากรรมนั้นนะไม่ใช่ในวาก่อนหรือในวลาหลังจะทําเนียในขณะที่ทําแต่ไม่ใช่เวลาก่อนแต่ถ้าเอาว่าก่อนหรือหลังเนี่ยโอ้โหเดินมาต่อไปจะทั้งหมดเลย ฉะนั้นเมื่ออากุตระมณีต่างๆมีโลโภะมุณรีติเกิดขึ้นนี่ยในการก้าวล่วงเอาสนกรรมบดเนี่ยก็จะเป็นเหตุให้ผลเกิดขึ้นผลเกิดขึ้นในที่นั้นก็คือปฏิสนธิที่จะทําหน้าที่เกิดในภพใหม่ให้จําไว้อย่างนี้ก็แล้วกันว่ากรรมใดที่ทําลงไปนี่นะอากุระกรรมเนี่นะถ้าก้าวล่วงก ร, รมบดกรรมเหล่านั้นทําปฏิสนธิไว้แล้วทาปฏิสนธิให้ตั้งขึ้นแล้วในอบัยภูมิ คิดอย่างน้นะวิธีคิดเนี่ยทีนี้ที่ผ่านมากรรมที่เราเคยก้าวล่วงเน่ยกายกรรมสาวมณีกรรมสีมโนกรรมสามเนี่ยนะที่ก้าวล่วงกรรมมาบดเนี่ยนะแสดงให้เห็นชัดว่ากรรมเหล่านั้นน่ะแต่งปฏิทำปฏิสนธินะทีนี้แสดงให้เห็นชัดว่าปฏิสนธิที่จะเป็นไปในภพหน้าที่จะไปเกิดในใบอายภูมิเนี่ยหลายล้านปฏิสนธิที่ทําไว้ ใช่ไหมอันนี้พูดให้หน้าประทุนกเดือนหน้าตัวหนึง่งแล้วเป็นจริงอย่างนั้นด้วยเป็นจริงอย่างนั้นด้วยเดีจะบอกที่เดีวเราจะอว่ากั ท, ที่สถานทีอโศใจแล้วจ็บชิตเ้าแลวาสเราอยู่ในจิตเราคิดให้เขาอิบททัตหรือเปล่าไม่เลยคิดทอะไรสัก ก็ น, น้่ยใจธรรม ด, ดาไม่คิดให้เขาวิบัตินี่ไม่ไม่เป็นต้องการว่าคิดอย่ายกตัวอย่างนะว่าแหนคนคน น, น, น, นนี้เบียดเบียนเราเหลือะแล้วสักวันหนึ่งจะต้องวิบัต <c oughs> ิ ใ, <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เราเราคิดไปหากรรมจริงแต่เราก็เหมือนจะไปออดวอนให้กรรมนั้นเร่งสมผลในคนคนนี้เร็วๆให้มันเมียเป็นไปสักทีนะ <c oughs> <c oughs> ก็ไปคิดในเขาวิบัติไปฟองร้ายเขาไปเป็นระบาดก็ฟองร้ายเขาว่าฟองร้าวล้ร้ายเขาเด่นใจมันสาเร็จเลยนี่เนี่ยนําธรรมปติสที่ตั้งขึ้นแล้วถือว่าไม่ฟองร้าถ้ากรรมประเภทนี้ให้ผลก็อบายทุกตีวินิบาตนะครับการขาดารรูอะไรเด่นด๋อยผยงวิบต แต่เร no ือกขอเวาว่เม่อไหร่จะฆ่าันได้แปรื่อนีะาจารย์ให้ใสติก็เลยโยงไปว่าภาษาต่างประเไม่ิามไม่ได้แค่โยงเปยาวอาจารย์ทีนี้นอกจากจะให้ปฏิสติสที่แล้วเนี่ยอาุศรกรรมประเภทนี้การอาคุโสกรรมบวดติเนี่ย ถ้ามาเกิดในมนุษย์เป็นต้นเหล่านี้ก็สร้างด้ความวุ่นวายเล้นท่านบุญนะทั้งเบียดเบียนทั้งอะไรต่างๆนะคือเขาไม่ให้ผลในปฏิสนธิการจริงแต่เขาให้ในตัววัติกรรมคือเดือดร้อนบ่อยๆ อ, อ, อ่ะชีวิตในอ ย, อยู่ไม่ค่อยเป็นสุขเลยอันนี้รู้เลยบอกบอกมันวิธีคิดออยังไงรู้ไหมถ้าเราเจอประเภทนี้ก็อบอกว่ากดีนะที่ไม่ให้ปฏิสนธิ ไอ้<ห>การนี้ก็ยังดีอยู่นะถ้าเขาว่าในปฏิสัทพี่จะแยกว่า น, นี้เนี่ยคือคือบางทีเป็นอย่างเงี้นนย น, นอกจากให้ปฏิสัมี่แล้วไอ้กรรมอย่างเดียวกันคล้ายกันพึ่งคล้ายพึ่งกันเขายังตามมาเบียดเบียนมาขัดขวางจะสําเร็จรอยู่แล้วเนี่ยอไม่สาเร็จตัอยู่แล้วใช่ไหม นี่เป็นอย่างเนี้ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่านอกจากจะให้ปฏิสัมพันธ์แล้วยังมาเปลี่ยนเบียนอีกอันนี้ก็เป็นความาวุ่นวายแล้วก็ลาวุวาวาว่นอยู่นี้ไม่ไม่มีความสุข น, นี่เปนอน่ี้ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาคุสุนละมูลหมายถึงรากเน่าของอาคุสุนสามประการนี้คืออะไรคือโรพาโทศาสตและตัมโมหะ ทิศสูตทั้งหลายแม้ตัวโลภะตัทุศาโมหะเองก็เป็นอกุศลแม้กรรมที่บุคคลผู้เกิดโลภะโทุศารโมหะแล้วสร้างขึ้นด้วยกายและด้วยวาจาด้วยใจก็เป็นอกุศลบุคคลเกิดโลภะเกิดโทุศาเกิด โ, โ, โมหะแล้วเนี่นะอันโลภะทุศาโมหะครอบนําแล้วก็มีจิตอันโลภะทุศาโมหะจับเสียรอบแล้วหาเรื่องก่อทุกข์กันใจให้ผู้อื่น โดยการฆ่าเสียบ้างจองจําเสียบ้างทําให้เสียทรัพย์บ้างตําหนิโทษบ้างขับไล่บ้างด้วยถือว่าข้าเป็นคนมีกําลั ง, งมีอำนาจบ้างข้าอยู่ในพรรคพวกบ้างแม้อันนั้นก็เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปอกุศลที่เกิดละครับไม่ใช่น้อยก็เกิดเพราะโลภะโทตาโมหะมีโลภะโทตามโมหาโาโามมหาเป็นต้นเหตุเป็นแดนเกิดเป็นปัจจัยเหล่านี้ย่อมเกิดด้วยประการอย่างนี้เจนแล้วว่า ลักษณะของโลภะโทตามหาเนี่ยก็บอกเป็นรากเงาด้วยต่อว่าโลภะโทตามุหาเนี่ยเป็นอนุสวรแม้กรรมที่บุคคลผู้เกิดโลภะโทตามุหาเนี่ยสร้างขึ้นด้วยกายยกรรมปีกรรมโนกรรมก็เป็นอนุสวรรคใช่ไหมเขาบอกว่าตัวโลภะโทตามุหาเนี่ยต้องเป็นเป็นรากเงาของรุกอาุสวรรคนใช่ไหม พอต่อมาเนี่ยก็เลยเมื่อมันเกิดขึ้นในใจเราเมันเป็นราชหเ้าต่อมาก็เป็นปัจจัยให้ทํากรรมทางกายทางวาจาทางใจไอ้กรรมที่ทามาเลยเรียกว่าอกุศลเรียกว่าอาลลกุศลรักษาใช่ั้มถ้าทําคบกรรมมาบดเรียกว่าอกุศลกรรมมาบดไม่ว่าจะเป็นปานาติปานตินานาทานกรรมเวสุนิชราจารย์อะไรก็แล้วแต่แต่มันมีอกุศลเกศเนี่ยมีโลภะโทสะโมหะเนี่ยเป็นราเงชา เป็นลาบเงามันก็ขับเครื่องนะในการทํารําเกิดขึ้นทีนี้พอทํำขึ้นมาแล้วเนี่ยทำกรรมมีการฆ่าจากต้นเราคีดว่านี่ผลที่ได้รับดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลเช่นนี้เรียกว่าอักการละวาทีพูดในเวลาที่ไม่ควรคือคือไม่พูดในเวลาที่ควรบ้างเป็นอภูตวารีพูดสิ่งที่ไม่จริงหรือพูดสิ่งที่มีจริงบ้างอนัควาทีพูด สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรือไม่พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์อาธรรมวาทีพูดสิ่งที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่พูดสิ่งที่เป็นธรรมเป็นอวินายวาทีพูดสิ่งที่ไม่เป็นวินยัยหรือไม่พูดสิ่งที่เป็นวินยัยเพราะเหตุไรบุคคลเช่นนี้จึ ง, งเรียกว่าอาการเวทีเป็นต้นเพราะบุคคลนี้หาเรื่องก่อทุกข์ให้ผู้อื่นโดยการฆ่าโดยการลักเป็นต้นหลไรเนี้ยเป็นคนมี กำลังอำนาจบ้างอยู่ในทัพพวกบ้างแต่เมื่อผู้อื่นว่าด้วยความจริงแล้วก็ปัดเสียไม่ยอมรับเมื่อเขาว่าด้วยความไม่จริงก็ไม่เพียนที่จะแก้ความจริงนั้นที่จริงให้เกิดเหตุนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลเช่นนี้จึงเรียกว่าอาการะเวีินจริงจนถึงอาวินัยวาจิดูบวามคิดสูทั้งหลายบุคคลเช่นนี้อันอักบอันอักบูสนบาปกระทาที่เกิดเพราะโลภะโทสะโมหะครอบงําแล้วเนี่ย มีจิตรประกอบด้วยบาปประคำเหล่านั้นจับรอบแล้วในปัจจุบันนี้ย่อมอยู่เป็นภพคือบอกว่าคนที่ประพฤติ อ, อกุศลกรรมวัทั้งสิบที่มีปานาริบาตเป็นต้นเนี่ยเมื่อทำกรรมด้วยราคะด้วยราคาตุสาวโมหะราคาตุสาวโมหะจับต้องแล้วเนี่ยในปัจจุบั น, นภบเนี่ยอยู่เป็นภพประกอบด้วยความคับแค่และก็เล่ า, าโดน ว่ในปัจจุบันทัพอีกเนี่ยเขาไม่มีความสุขคนที่ทำอาบุตรกรรมมาบดเนี่ยจะไม่มีความสุขธอลองสังเกต ด, ดูนะว่าคนบางคนเนี่ยมีอาชีพในการฆ่าทุกวัดเนี่ยนดูดู ด, ดูไปเจอคนคนเนี้ยต้องมีอาชีพในการฆ่าหมูกอนใจคอก็าปดร้ายวันก่อนก็ก็ น, นั่งคุยเขาบอกว่า ตอนนี้เขาเขาอยู่คนเดียวไม่ได้เลยคือตอนนี้แกทำแกมีโรคร้ายมีโรคร้ายก็ก็ไปทํางานอย่างเก่าไม่ได้ทีนี้ก็แต่ก่อนก็มีพักพวกมาหาเยอะวนะไหแต่ปัจจุบันก็เขต้องอยู่คนเดียวนี่อยู่คนเดียวเลยก็พ้งก็เครียดช่วงไหนก็เครียดเราไป น, นั่งคุยด้วยเนะี่ยเราจะรู้เลยว่าเขเป็นคนใจร้าย เกอนจิตใจเนี่ยมีแต่ก่อนวก็เครียดตัวแค้นแทงมาก็ไปประทุษราเนี่ยฆ่าสัตว์ใหญ่เนี่ยไม่ได้ค่าธรรมดาเนะต้องใช้ค้อนใช้อะไรทะคุ่นเนี่ยเพอบางบังเล่าบางเลยต้องใช้ไม่ค้อนลแล้วบางทีก็ต้องใช้อะไรใช้มีดเ่ใช้มีดเนี่ยเสียงไปในคอเ น, นี้ยนะเพืเจะเลือดออกมาเนี่ย ในเมื่อกี้เขาเขาเร่าร้อนพราะกายแตกตายไปพราะกายแตกเนี่ยนะก็มีทุกขติเป็นอันหวังดั่งดูก่อนพสูจนทั้งหลายเปรียบเสมือนต้นรังและต้นตะแบกหรือต้นตะคระเนี่ยนะผูกเข า, า, าย่านตายสามเขาขึ้นปกคุมรึงรักแล้วเนะี่ยย่อมถึงความไม่เจริญย่อมถึงความพินาศย่อมถึงความไม่เจริญทั้งถึงความพินาศในชั้นใด บุคคลเช่นนี้ก็กันั้ น, นอันอาบาอภุสุธรรมที่เกิดขึ้นเพระาะราคะโมสาโ ม, มหะครอบงาแล้วเนี่ยนิจิอันอาบาอภิสลุลธรรมจับรอบแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็อยู่เป็นทกประกอบด้วยความคัดแค้นใจและก็ความเลวร้อนถ้าหากยแตกตายไปก็มีทุกขติเนียบายทกติวิริย า, าร็เป็นอันหวังด้อันนี้คือโทษของอาุิสลุลและกิจแล้วต้ให้สงบนตรงกันข้างอาภิสุล มีเป็นไปลักษ้านอย่างนี้นะอันนี้ในในสูตรที่ว่าโดยอกุศสลามูนนั้นจะพิจารณาอย่างนี้ก็ก็ก็เห็นโทษมากๆเลยถห็โทษทำที่เป็นอกุโสไว้มากๆถ้าหากใน อำเพียริธรรมเนี่ยนะท่านก็ท่านก็แยกแยะไว้นะท่านบอกว่าทำที่เป็นอกุศลเป็นขนาดอากุศลและกิจของเราก็ช่วยสมณะสามยุติที่มีรูปเป็นอารมณ์หรือมีเสียงเป็นอารมณ์มีกลิ่นเป็นอารมณ์มีรสเป็นอารมณ์มีปัจจัปภาพาเป็นอารมณ์มีธรรมะเป็นอารมณ์ หรือมาลบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดผ่าสาสตเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิจารวิจารปีสี่สุขเอขัตตาวิีินตีสมาธินีมณีสีสมณสีดป็นต้นอันนี้การกล่าวในกล่าวในคีธรรมะจำคันจะมีนี่ยทานจะกล่าวในเรืตัวไหนอย่างเงี้ยบอกว่ายกตัวอย่างเช่นว่าอภูริชนจิตเนี่ยเช่นโลภมูลจิจเกิดขึ้นเนี่ยสองแล้วก็ได้สองมณัตสี่ดวงนี่นะจำยดในที่สี มีรูปเป็นอารมณ์บ้างมีเสียงเป็นอารมณ์มีรสเป็นอารมณ์มีก ล, ลิกมม่นเป็นอารมณ์มีสัตว์พาแล้วก็มีธรรมะเป็นอารมณ์มันก็แล้วแต่ว่าพารบอะไรยังไงอันนี้ท่านเน้นถึงตัวอาุโสณจิตคือโลภะจิตเป็นต้นเนี่ยแล้วก็เน้นว่าสอนลพจนกนทบสฐิแล้วเมื่อสอนละพจนกทิสฐิแล้วเขาไปรับ ไปมีรูปเป็นอารมณ์ถ้าไปมีรูปเป็นอารมณ์นะครัเข้าใจผิดในรูปนั้นก็มีเสียงเป็นอารมณ์ว่าว่าเข้าใจผิดในเสียงนะ้ฉะนั้นวอดจิตที่มีราคะก็รู้ชัดว่าจิตที่มีราคะเป็นต้นนี้นะถ้าราคะท so ี่มีทิฏฐ well ิประกอบถ้าในขนาะนั้นตารบรูปเป็นอารมณ์นะเขาเข้าใจผิดไปแล้วในรูปอารมณ์หรือรูปนั้นทีนี้ถ้าเข้าใจผิดนะถ้าไม่กาหนดว่าให้รู้ชัดเป็นต้นเพื่อตรัสจัดกัน ที่มีราชาเป็นต้นในสุดจริงถ้าจะทํากรรมใช่ไหมทำกรรมที่เกี่ยวกับราคาอุปศกรรมปทเจตประการก็จะเกิดขึ้นในขณะที่เขาทาแต่ถ้าก่อนหน้านั้นก็เป็นปัจจัยกบฏประการถ้าหลังนะั้นก็เป็นปัจัยกบฏประการนะอย่างยกตัวอย่างเช่นปานาบิบาทเนี่ยทั้งทั้งที่ในขณะทําเนี่ยเกิดขึ้นเพราะโทตาเป็นต้นเราเนี่ยโลภะอาจไม่เกิดในขณะทำแต่หลังทําแล้วโทตาเกิดยกตัวอย่างเช่นคนที่ไปฆ่าปลาได้ไปลับเรือเนี่ยนะ พอต่อมากลับไปย้อนดูโอหเราให้เก็บจรินๆข้าเลยได้เป็นลำเรือเลยไปโลภะโสมันนั้นจะเป็นดีใจมั้ยบางคนเป็นโลคปวดหัวอยู่ได้แล้วฉะนั้นอย่าลืมนะว่าความเข้าใจผิดเนี่ยนะในการตาลบรูปารมเป็นต้นเหล่านีาน้ยถ้าาว่าโลภะเกิดขึ้นหรือโทสะเกิดขึ้นโมหะเกิดขึ้นเป็นต้น อันนี้พูถึงเกี่ยวในบเรื่องของต่อรักโทเกี่ยวกับในเรื่องของเจตสิกถามว่านอกจากนั้นก็ว่าอัสตาต้องมีในสมัยนั้นเป็นเช่นไหนการกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องความถูกต้องในสมัยนั้นอะไรอันนั้นก็คือผลสตาก็เกิดขึ้นในสมัยถามว่าใช่การณ์ที่ต่อรักโทษในสมุนาทีเวทนาเกิดขึ้นไหมหรุกเวทนาเกิด ความสุขทางใจความสบายใจยันเกิดจากอาดสายแห่งมโนยานธาตุที่ประสมกันเนี่ยนะความสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสต้นขขเกิดแต่เจกตุสัมพันธ์สมปัตติ์กิริยายอารมณ์ที่สบายเป็นต้นเหล่าเนี้ยอันนี้คืเชื่อวิทน า, าที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นท่านก็บอกบอกว่าอากุศลเป็นต้นเหล่านั้นพุนท่าประเภทมีการกําหนดทำเป็นต้นและการวินิจฉัยเนี่ยนะ ท่านก็บอกว่าทิศขาาีข้าตาเนี่ยเหมือนในประโยคทั้งหลายมียที่ว่าครูครูถากตาตังมูถากตาตัง้งเป็นต้นบอกว่าทิศฐีข้าตาก็อาจจะว่าการเป็นไปของทิศขีการเป็นไปหรือรทําไปโัชน์จากทิศฐีเนี่ยแล้วก็ท่านกเก่าวไว้บอกว่า ก็คือว่าการการฟังแต่อาศัพท์ทำความเป็นผู้มีนิสชั่วความเป็นผู้ไม่ต้องการเห็นท่าเยาะแล้วก็อโยนิสมฆ์นพิการก็คือการทําไว้ในใจโดยไม่เลี่ยงใครอันนี้ก็เป็นปัจจัยเกิดทิฏฐิถามว่าย่อมเกิดขึ้นด้วยการฟังเว้นจากความใขว้กวรแล้วก็ก้าร่วงความเป็นกลาง มีมาณะหลายอย่างเป็นประธานในคตธรรมที่ประกอบด้วยวาทาอันผิดแหล่านะความเป็นผู้มีอัคคยานมิตรความเป็นผู้ซ่องเสียมิชั่วอันนี้เป็นผู้มีชีตีวิบัติโดยไม่ต้องการเห็นพราอริยมาเห็นสัตว์บุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเขาบอกว่าถ้าชีตีเนี่ยตอและคดกับโลภาเป็นต้นเหล่าเนี้ยในคัมภีร์นี้ท่านบอกว่าไม่ต้องการเห็นพระอริยเจ้แต่ว่าไม่ต้องการเห็นว่าพุทธเจ้าเป็นต้น แล้วก็ไม่ฉลาดในอริยธรรมไม่ฉลาดในศีลสมาธิปัญญาวิมุตตินะธรรมขอว่าทธิยะแล้วก็สัุพิสธรรมมันต่างโด้วยคือว่ากลุ่มที่มีทิฏฐิเนี่ยนะคนที่มีทิฏฐิมากๆเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ฉลาดในสติปัฏฐานสมาทานอยู่ที่บาทเป็นต้นนั่นเอแล้วเวลา เป็นด้วยความเป็นไม่มีวินัยอันตกแต่งแห่งสังวรในอารยธรรมเป็นต้น อ, อันนี้มีท่านขยายเกี่ยนเรืเ่องบางที่ผิดก็ก็จะไม่มาขยายใหม่นะแต่ว่าเอามาเอาในครั้งนี้มามากลับวให้ดูเพียงเพียงเล็กน้อยฉะนั้นในในอุโ ส, สระคำเนี่ยตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอพูดถึงในเรื่องของอาวุโ ส, สรกิจ อ่านไปเบ็ดเสร็จเนี่ยนะพอพูดถึงอาคุศสจิตเนี่ยประการต่อมาท่านจะพูดถึงในเรื่องของอาเกี่ยวไปในเรื่องของในวิญญาณถ้าพูดถึงในเรื่องของวิญญาณเนี่ยก็พูดถึงในเรื่องของคําว่าวินัยะวิญญาณเนี่ยนะมัน ไ, ไม่ต่างกันกันจากเราวิญญาณเนี่ยก็คือขันเนี่ยจักทรว่าเป็นขันวิญญาณในอดีตนาคปัจจุบันภายในภายนอกจากลาากาะเอียด เรือปลาหนีไกลและใกล้หรือต exactly. <ereal isi shrimp recipes> ้นเหล่านี้ยอันนั้นก็จัดเป็นวิญญาณในขันท่านก็บอกว่าในการที่จริงถ้ว่ากําหนดในลักษณะอย่างนี้ก็จะเป็นจะเข้ามาในเรื่องของคําว่าขันเนงเพราะว่าจริงๆในเรื่องของในเรื่องของวิญญาณในเรื่องของจิตก็เชื่อเป็นการกําหนดกําหนดขันที่สุดหนึ่งว่าผู้ได้แก่แต่ผมก็ก่อนที่สุดทั้งหลายตรงตามนี้ไม่มีที่สุด เบื้องต้นนั้นบุคคลตามรู้ไม่ได้แล้วเนื่นองต้นเห่งทั้งสารวัตรจะไม่ปรากฏแก่ศัตรูทั้งหลายผู้เรียววิชาเป็นเครื่องกลารการั้นยินธนาเป็นเครื่องปูไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ดูว่วามพิสูจทั้งหลายสุดน้ำที่เขาล่ามเชื่อเข้าไว้แล้วเนี่ยถูกล่ามไว้ที่หลักและที่เสาอันมั่นคงถ้ามันจะวิ่งมันก็จะวิ่งวนอยู่กับเสาถ้ามันจะยืน มันก็ยืนชิดอยู่กับเสาหน้าเดงถ้ามันจะนอนนะ่ะถ้านอนชิดอยู่กับเสาหน้าเองแม้ฉันใดดูความพิกลทั้งหลายปุตุชนที่ไม่ได้สดับแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมตามเห็นรูปเวทนาสัญญาสัญขางโดยฟ้าตามเห็นวิญญาณขังกันนะว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา แ, แม้เขาจะเดินเขาก็เดินใกล้อุ๊ ปาทานาขันเน่ยนั่งนอนยืนเป็นต้นก็ใกล้ปาทานาขันพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายคุณพิจารณาจิตของตนหนึ่งเรียงอย่างนี้ว่าจิตนี้เศ้าหมองเพราะระาค่าโทศโมหะแล้วตลอดกาลเลยวนะแล้วพก็ตรัส บ, บอกว่ารูกา้ก่อนพิกษุทั้งหลายบอกว่าสา at, ัต ว, ว, าาจจททว์ทั้งหลายจะเศ้าหมองเพราะจิตเขาเศ้าหมองจะฟองเทวเพราะว่าสัตว์เป็นจิตทั้งฟองเทลดูก่อนพิกสุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นไหมจิตนี้ชื่อว่าจารณาหมายถึงกิตกรรมเนี่ย พิสูจทั้งหลายก็กร่าวทูลบอกเห็นแล้วพระเจ้าข้าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเจรณะจิตจิตกรรมแม้นั่นแหละจิตนั่นแหละคิดแล้วน่ะก่อนพิสูจทั้งหลายจิตนั่นเองยังไม่จิกว่าเจรณะหมายถึงจิตกรรมนะเพราะฉะนั้นแลพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายจึงพิจารณาจิตของตนหนึ่งเดือนว่าจิตนี้เจ้าหมองเพราะราคะเจ้าหมองว่าโทตะเจ้าหมองเพราะโมหะมานานแล้ว เศ้าหมองมานานแล้วดูกวามคิดสูตรัหายศาสตรทั้งหลายจะเศ้าหมองกเพราะจิตเศร้าหมองจะฟองแค่เพราะจิตฟองแควนั่นแล้วก็ตรงนี้นะถ้าเราดูสูตรนี้ก็ไปทีเนะ่เรณาได้บอกว่าคือที่มันเศร้าหมองมาเศ้าหมองมานานแล้วถ้าเราจะเกิดวความเครียดขึ้นม า, าเราชินไงคนเศร้าหมองมานานแล้วใช่ไหมคือมันที่มันมาเศร้าหมองในปัจจุบันเนี่ยนะ ที่มันมาพุกมาทรมานในปัจจุบันเนี่ยมันเศหมองมานานแล้วเป็นของเก่างั่ไม่มาเกิดใหม่เนี่ยพิสูจทั้งหลายเราไปพิจารณาเห็นตัดแม้อย่างเดียวที่จะวิจิตเหมือนสัตว์เดรัจฉ์สัตว์เดรัจฉ์นั่นเหล่านั้นวิจิตแล้วปอดจิตนั่นเองจิตนั่นเองยังวิจิตกว่าสัตว์เดรัจฉ์แม้เหล่านั้ น, น, น, เ, น, นเพราะฉะนั้นพิสูจน์ทั้งหลายคึงพิจารณาว่าจิต น, นี้เศร้าหมองก็ราคาโทรศัพท์มาผูห่ามานานแล้วก็ ถ้าจะเศร้ามองก็เพราจิตเศร้าหมองข อ, องแท้เพราะเพราะจิตของแท้แล้วก็บอกว่าช่างย้อมและช่างเขียนเครื่องย้อมก็ดีขัางก็ดี ข, ด ข, ดขมิ้นก็ดีสีเขียวสีแสดเขียนรูปสตรีบ้างรูปบุรุษบ้างนะตลอดถึงว่ดอะไรต่างๆแบบนี้ทามฝากหนังที่เขาขัดดีแล้วบอกว่าที่สุดทั้งหลาย พ, พู้ดชนผู้ไม่สดับบอกว่า ก็ฉันั้นเมื่อจะให้เกิดขึ้นก็จะให้รูปแั่แหละเกิดขึ้นให้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละเกิดขึ้นดกแล้วพระรพุทธเจ้าเขามาสรุปตรงที่นะว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอจะสําคัญความข้อนั้นยังไง ร, รูปเวทนาสัญญาสังขารโดยเฉพาะวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงหลงไม่เทียเท่ย ง, ง, มงไม่เที่ยงต่างสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขอันนี้ก็ลงเียรหน้าบริยยาวนสุข สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาคนหรือหนอที่จะตามหูวสิ่งนั้นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นลัตาของเราอันนี้ท่านก็สอนสอนบอกว่าในโบราณอาจารย์ท่านก็บอกไว้นะบอกว่าตัดทั้งหลายอาบน้ําดีก็ชื่อว่าเจ้าหมอว่าจิตเจ้าหมองแม้ร่างกายศรัทธาบอกก็ชื่อของแผ้วได้ด้วยว่าถ้าจิตบอกแม้วพราคู่มีประาพค า, หห า, าคู้แวะหาพระคูนั้นยิ่งใหญ่ ไม่ได้ตรัสไว้ว่ารูปเศร้าหมองตัดทั้งหลายจป็เศร้าหมองรูปบริสุทธิ์ตัดเป็นบริสุทธิ์แต่ถ้าผู้มีพระภาคู้ทรงแห่งอาทรนันยิ่งใหญ่ได้ตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองตัดทั้งหลายจป็นเศร้าหมองเมื่อจิตบริสุทธิ์หรือจิตความแพลวตัดทั้งหลายเป็นบริสุทธิ์นี้ประจักษ์แล้วในตรงนี้ก็คือว่าในส่วเจตในสูตรนี้ถ้าเราดูทั้งหมดเนี่นะ เวลาท่านกล่าวในเรื่องของว่าจิตนี้เศร้าหมองมาแล้วก็ราค่าตัวสามโมหะมาเป็นเวลานานจิตเศร้าอบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเนี่ยก็เพราะว่าจิตเศร้าหมองของเท้าก็เพราะว่าสัตว์ของเท้าพราะมื่อสรุปเนี่ยเขาก็จะเจ้าปัญหถามเลยบอกว่าเธอทั้งหลายจะสำคัญวิว ญ, ญญาณหมายถึงจิตนั้นเป็นชนิดไหนจิตเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนีย่ยจะลงนีง่บอกไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยมเป็นทุกข์ก็เป็นสมถัวเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยมเป็นทุกข์มีความแปรปลีนเป็นธรรมดาคนหรือหนอที่จะตามเหตสิ่งนั้นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอันา้าตาของเไม่ควรอย่างนี้นแล้วก็อริยส า, าวกที่ได้สดับแล้วย่อมรู้ชัดชาติสิ้นแล้วพรหมจาร่จบแล้วท่านฟังที่ท่านก็จะสรุลปสุขแน่เลยก็จะลงรักเมื่อย่ก็ได ท่านอีกสูตรหนึ่งในอกุศลและสูตรท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในวัตถุโลภะโทสะมุหาเกิดขึ้นแล้วในตนย่อมเบียดเบียนบุรุษผู้มีจิตอันลามกเหมือนขุยไผ่เบียดเบียนไม้ไผ่ใช่ไหมเนื้อความนี้พระพุทธเจ้าตรัส ก, ก็เหยื่อนั้นครับได้แสดงมาแล้วอย่างออการตรัสในลักษณะอย่างนี้ท่านท่านขยายว่าเออเนี่ยอกุศรรลแบบเนี้ยเป็นธรรมที่ควรละเลยนะ ท่านสามารถจะขยายว่าเนี่ยแค่ตรงเนี้ยท่านรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าตรัสในแงี้ยของสมุทัยญาติเนี่ยพอตรัสสมุทัยญาติจัดเนี่ยท่านก็รู้นันดีว่ า, าทุกข์ักรเนี่ยเป็นนั้นด้วก่ากาวแล้วนี่เราถาสัจจะแล้วก็มรรสสัจจะชื่อว่าเป็นการกา ว, วอย่างยกตัวอย่างแค่ว่าจิตที่มีราคาระเรา้ชาื่อว่าจิตที่มีราคะแต่ราคะนี่เป็นสมุทัยไทยใช่ไหมแต่ตัเป็นสมุทยยัยสัจจะส่วนคำว่ารู้ชัดเนี่ยนะมี ปัญญาความเพียรและ ส, ะสติเป็นต้นเหล่าเนี้ยที่มารอบรู้ในราคาเป็นต้นอันนี้เป็นมารรคกันสัตว์นะทีนี้การที่จะมารอบรู้ในลักษณะไปรู้จิตเนี่ยถ้าลาพังจิตอย่างเดียวที่มันยังไม่นเน้นถึงราคาเป็นาาต้นอันนี้ยก็เป็นทุกข์กันสัตว์ทีนี้เป็นต้นแล้วเนี้ยอ๋อจริงๆก็คือท่านประกาศอรเนี่ยสัตท่นนีมีใครสงสัญญยอะไรต้องจะหมดเวลาแล้ว มองหลายรอบเลยถ้าว่าวิธีกําจัดอุจจาระเนี่ยไ hey> pues ม่ต่างจากวิจิตรฉาในญยะเดียวกันเพราะการกำจัดอุจจาระและวิจิกิรฉาก็ก็ไม่ไม่ต่างกันดังที่ได้กล่าวไว้ใน เกี่ยวกับนี้เรื่องการฟังการฟังภาษธรรมการเสวนากับท่านผู้รู้เป็นต้นเหล่านี้จนถึงว่าโยนิโสมนติการเป็นต้ น, นอันนั้นก็เป็นเหตุในการที่จะกำจัดอุตจารไม่ไม่ไ ม, ไม่ต่างกันต้องมีอะไรบางอางมัน ความได้ยินได้ฟังธรรมที่เกี่ยวกับกรรมและผลของกรรมเสมอเ ส, มอสอบสวนผู้ทรงปริยาตชั่นานในพระวินัยเป็นต้นแล้วก็มาดในการตัดสินใจเชื่อคือมีสุตตะนี่เองแล้วสอบคบกัลยาณมิตรประการสุดท้ายก็คือได้ฟังถ่อยคำที่เป็นที่สบายก็จะหายโคมเด คือได้ฟังในเรื่องของขันทา่าอายตัญนาเนี่ยฟังสติปฐานสมมาปทานอิทิบาอเอซร์พราโคชงอาริยมันน่นฟั่มบ่อยๆเหอะอุทจักหายแต่ ถ, ถ้าถ้าไปฟังเรื่องนอกแบบนี้อยู่ใจจะี่อยู่เ้าเรียกสบายยะตาเวลาเจอหน้ากันนี่นะสําคัญมากเราท่านทั้งหลายนี่นะต้องสนทนาทำมาั่นเจอหน้ากันก็นกคือ ท่องเอาไว้ว่าสบายยะคาถซึ่งคาถาที่เป็นไปในกา ร, รที่จะทําให้สบา ย, ยนะก็ได้มักน้อยสันโดษครับ่ันวาสติ ป, าาาปทานอะไรสามมาปทานมีที่บาทหรือคุณองค์พระราชนรอะไรต่างๆเหงแบบนี้เอามาสวนธนาสาธิตแล้วเป็นปัจจัยการสงบระงับอุท ธ, ธาจารได้หมดเลยของพวกเนี้นะ แต่แต่ที่จะไปสนนานากันต้องมองหน้ามองหลังเลยเขาบอกว่าหนึง่งต้องไปหาคนที่เขารู้หรือเขาบอกตามคนดังไม่รู้ไปคุยกันก็ว่ายิ่งฟุ้งใหญ่เลยอ้าวเจเนรุสุสุนพินิณพิจิญญาเอาสูตรหนึ่งมาบรรยายหน่อยไหมสนใจไว้นวลนะพูดเป็นงวดตึงหวัวพี่บิณ เราจะพูดเรื่องความคิดความคิดเนี่ยมันมีอยู่เรื่องหนึ่งไงในสูตร เ, เกี่ยวกับจิตนี่แหละเกี่ยวกับนี้เราต้องความคิดเสร็จเรื่องนี้เรเหลือเวลาแค่ทรงเทวบอกว่าเขาพระเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมจงใจย่อมตำลิกและพุ่นคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นนามณ์นาปัจจัยด้วยความตั้งอยู่แห่งวิญญาณ เมื S <S. <S. ่อมีอารามณปัจจัยความตั้งมั่นในวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้วเจริญขึ้นแล้วความมังเกิดขึ้นพบใหม่จึงมีเมื่อมีความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่และชาติชราวรณะโสมกาลปิฏฐิวะทุกขะโทมณะตะจึงมีต่อไปความเกิดขึ้นใน่งกองทุกข์ทั้งมวลย่อมมีด้วยประการนี้แล้วก็บอกดูกวามพิกษุทั้งหลายพิกษุไม่จงใจไม่ดำรี แต่ยังคุ่นคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารามานะปะจัจจัยด้วยความตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่อมีอารามณะปัจจัยความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจะมีเมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นเจริญขึ้นแล้วความบังเกิดขึ้นแห่งพบต่อไปจงมีเมื่อมีความบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ชาติชราวรณะโสกปริเทวทุขะโทมนานะต่งจะมี ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ประการที่สอประการสุดท้ายก็ตัวดูการพิสูจทั้งหลายเมื่อพิสูจน์ไม่จงใจไม่ดาดิและไม่คุ้นคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารามณปัจจัยเพื่อความตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่อไม่มีอารามณปัจจัยความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงไม่มีเมื่อวิญญาณนั้นไม่ตั้งมั่นไม่เจริญแล้วไม่คงเกิดขึ้นแล้วพบใหม่ต่อไปจึงไม่มี เมื่อความมันเกิดขึ้นอย่างปอกใหม่ไม่มีชาติชราบารณาโศกาภริเตวะทุกขโทมานะตัปปุปาญาตต่อไปสิ่งดับความดับในกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย, ออย่อมมีด้วยประการหนึ่งนี่นจอบอย่านี้นลแต่จริงขยายเือว่าย่อมจงใจคือยังความจงใจให้เป็นไป ม, มันจะทําว่ายังจักับเทติโกยอ่อมดาริดําริคือยังความดาริบให้เป็นไปเนี่ย ย่อมคุ้นคิดถึงสิ่งใดที่บมายว่าคุ้นคิดก็คือว่าความคุ้นคิดใดให้เป็นไปในข้อความนี้ความจงใจอันเป็นกุศลและอกุศลที่เป็นไปในภูมิสามนี่พระพระเจ้าทรงถือเอาว่าย่อมจงใจส่วนดำรีเนี่ยท่านบอกว่าดำรีด้วยตัณหาและทิฏฐิอันเกิดด้วยโลภะแปด ด, ดวงนี่เนี่ยส่วนคําว่าย่อมคุ้นคิดย่อมดํารีก็ข้อเจตนาที่ในอกุศล ด้วยที่สุดแห่งอุปนิสัยว่าย่อมคุณคิดสิ่งนั้นเป็นอารามณปัจจัยถ้าเกิดเป็นธรรมชาติที่มีเจตนาเป็นต้นนี่ยคำว่าอารามณาเป็นปัจจัยเนี่ยบอกเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณเนี่ยก็หมายความบอกว่าถ้าถามว่าเราคุ้นคิดถึงสิ่งใดเนี่ยเมื่อคุณคิดแล้วเนี่ยเกาเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณหมนั้น ยก็ัวอย่างเช่นอารมณ์น้ปัจจัยใดไ ด, ได้เราไปคิดถึงอารมณ์ใดนี่นะอารมณ์นั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดแต่เราคุณคิดถึงอารมณ์นั้นเนี่ยการคุ้นคิดในลักษณะหย่านั้นเนี่ยเป็นปัจจัยให้ได้วิญญาณวิญญาณในที่นั้นท่านหมายถึงกรรมวิญญากรรมวิญญาเป็นต้นมีท่านพูดถึงในลักษณะการคุ้นคิดที่เป็นไปด้วยอกุศลนนส่วนเนี่ยแล้วก็ที่เป็นที่เป็นกุศลที่เป็นไปในภูมิสาว การคุ้นคิดในลักษณะอย่างนี้ก็เป็นปัจจัยเกิดให้พบไปเรื่อยๆเยนี่ยนะแต่ถ้าหากว่า อ, อไม่คุ้นคิดใช่ไหมหรือไม่จําร็เป็นต้นเหล่าเนี้ยอันนี้ท่านหมายความบอกว่าําแรกกิเลสต่อไปก็แปลว่าวิญญาณท่าไม่ตั้งนะต่อไปการจะทําก็ไม่เรียกว่ากรรมกุศลกรรมอกุศลกรรมลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็ดำภพกชาติแนละ้ อาจมายังอาราธนามากอะไรต่อไปข้าโมดเวราเลเลบรุษนี้ด้วย